มองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรด้วยทีมงานมืออาชีพราคาย่อมเยาปลอดภยัยได้มาตรฐานการันตีคุณภาพเชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงมงคลธัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999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 ค่ะคุณผู้ฟังที่กรรพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนธรรมเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เช้ามืดของวันเสาร์ที่22มิถุนายนแล้ววันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะคะตอนนี้บรรยากาศชุ่มฉ่ำจนกระทั่งเรากลัวว่าหลายๆที่จะน้มท่วมแต่บางที่ก็เกิดพายุฝนฟ้าคะนองน่าก ล, กลัวกันไปแล้วก็เกิดอันตรายกันไป ก็เป็นห่วเป็นใยนะคะเช้ามืดอย่างนี้อยากให้ทุกท่านตื่นขึ้นมาสดชื่นแล้วก็มีความสุขอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้นอนอยังต้องทำงานหรือเพิ่งจะออกมาทำงานเพราะว่าหลายหลท่านนะคะก็ออกมาทำงานตอนเช้ามืดโดยเฉพาะผู้ที่ขับรถนะคะก็มักจะเปิดโทรศัพท์แล้วท่านเองก็ได้เคยฟังเพื่อนๆ น, น, นกจรายการของ f อ 89.5 ก็มาแบ่งปันเรื่องดีๆมา เปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมาช่วยกันต่อปัญหาต่างๆมากมายในช่วงของชีวิตวัฒ น, นธรรมดิฉันผนด ร, รมเนียมอินรับหน้าที่นําเรื่องราวที่เป็นความดีความงามวิถีไทยๆของเราและเรื่องราวดีๆจากชุมชนต่างๆทั่วโลกมาแบ่งปันนะคะเพราะชีวิตวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของผู้คนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ไม่เฉพาะคนไทย ไม่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในโลกเท่านั้นแต่ในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราบอกกับผู้อื่นได้เต็มหัวใจเต็มปากเต็มคำไหมคะว่าเรารู้อะไรบ้างหนาเกี่ยวกับชีวิตวัฒนธรรมของบ้านเราและเราได้มีการถ่ายเทแลกเปลี่ยนรับเอาวัฒนธรรมของเพื่อนเพื่อนทั่วโลกเข้ามา แล้วเขาสนใจอะไรของเราที่จะรับเราออกไปบ้างหรือเปล่าไม่ได้โทษกันนะคะเพียงแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้หน้าแล้วไม่ลืมหลังค่ะเดนได้รับไลน์จากกลุ่มเพื่อนที่เขาส่งมาให้ภาพบางภาพที่เขาเปรียบเทียบกันมาเดนหยุดคิดด้วยความรู้สึกบางอย่างแล้วก็คิดต่อไปหลายๆเรื่อง ก็มีการพูดคุยกันในระหว่างเพื่อนที่คอเดียวกันและขอความรู้จากผู้ที่มีความรู้มากกว่าดิฉันหลายๆเรื่องเช่นคลิปบางคลิปที่มีคนส่งมาเรียนเข้าใจว่าเขาคงชื่นชมแต่สำหรับดิฉันเนี่ยดิฉันจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งเช่นอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พลาดพิงหรือไม่ได้ตำหนินะคะแต่ฝากเป็นข้อคิด เวลาที่เราจะแชร์เรื่องใดๆก็ตามโดยเฉพาะคลิปที่มันเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะคลิปที่เกี่ยวกับความเป็นไทยชีวิตของคนไทยกับชีวิตของคนชาติอื่นๆเรียนเพื่อทราบและฝากเป็นข้อคิดว่าเราเปรียบเทียบกันได้จริงหรือและ ภาพที่คุณคิดว่าคุณจะเปรียบเทียบนั้นมันมันใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ตัดสินนะคะเช่นบางทีก็จะเปรียบเทียบเด็กไทยว่าเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังรำด้วยท่าทางสนุกสนานอ่อนช้อยตามระษาเด็กวัยเล็ ก, ลกๆกับชุมชนที่บ้านของเขาทินใดทินหนึ่งยังมีความสุขในขณะที่ คลิปที่เปรียบเทียบเป็นคลิปที่มาจากต่างชาติเด็กวัยเดียวกันเขาไปเล่นกีฬาแล้วก็มีคําเปรียบเทียบระหว่างเด็กไทยกับเด็กชาติอื่นเดินก็เลยถามตัวเองทันทีเอ่ยคนที่เขาตั้งใจเปรียบเทียบเขามีมุมมองด้านไดโนอแต่ก็ไม่ได้โทษกันว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดนะคะเพียงแต่ว่าเรากําลังมองเห็นความห่าง ความต่างกันออกไปเรื่อยๆหรือไม่เพราะว่าภาพข่าวในโทรทัศน์เมื่อสองสัปดาห์ก่อนเดนดูแล้วเดนก็มีความรู้สึกสะท้อนปึ้งเข้าในหัวใจอีกเหมือนกันก็เป็นภาพที่จัดกิจกรรมใหญ่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ในขณะที่เพื่อนๆขึ้นไปฟ้อนรำสวยงามแต่งชุดไทยรำสวย้ย เพื่อนๆที่อยู่ในห้องประชุมนั้นก้มหน้าคุยกันเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์แต่พอเปลี่ยนขึ้นไปเป็นเต้นดึงดังดึงดังดึงดังขอไม่อธิบายถ้าเท่านั้นเองจากที่นั่งหลับนั่งเล่นนั่งซึมกระโดดพรวดขึ้นมาเกือบหนึ่งในสามของห้องประชุมโยกย้ายสายกันทั้งตัวสนุกสนานเฮฮาออกลายกันเต็มสเต็ปเลย เดนรู้สึกแปลบในหัวใจนิดนึงเหมือนกันนะคะว่าโถกว่าเพื่อนๆจะซ้อมรำกว่าคุณครูจะคิดท่ากว่าคุณครูจะจัดหาชุดสวยงามมาให้สาวๆเหล่านั้นได้แต่งกันออกมาสวยงามเหมือนนางฟ้านางสวรรค์แต่เพื่อนๆส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ตา แ, แลเลยแต่พออีกกลุ่มหนึง่งขึ้นมาเต้นดองแดงดองแดงปลุก ความเงียบเหงาในห้องประชุมนั้นให้กลับมามีชีวิตชีวาจนกระทั่งไม่มีใครนั่งนิ่งและบางคนก็โอโหออกลายเต็มที่ไม่ได้โทษกันนะคะฝากเป็นข้อคิดเฉยๆว่าเรากำลังจะทำยังไงกันดีเนาะศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับเป็นมรดกของเราจะมีใครช่วยกันรักษาอยู่อีกสักเท่าไหร่ แต่ดิฉันก็ชื่นชมนะคะเพราะเรียนทราบดีว่าทุกๆวันสาว์อาทิตย์หรือวันหยุดปิดเทอมยังมีเด็กอีกหลายบ้านที่พ่อแม่ผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสริมให้ไปทำกิจกรรมในความเป็นไทยหล่านี้ขอยกตัวอย่างจากองค์กรหนึ่งที่ไม่ได้สแสวงหากำไรคือที่สมาคมศิล ป, ปะเพื่อเยาวชนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เดนได้ทราบกิจกรรมเนี้ว่าเขาดำเนินมา20กว่าปีแล้วด้วยการรวมตัวของกลุ่มครูดนตรีไทยครูที่สอนรำไทยสอนขนสอนรำโปงลางดนตรีโปงลางไปรวมตัวกันสอนโดยไม่ได้หวังผลกําไรแต่มีอยากให้อย่างเดียวเลยมีแต่อยากจะให้เด็กๆทุกวันนี้ก็ยังไปเรียน เขาก็มีตั้งแต่ตัวน้อยปอหนึ่งขึ้นไปถึงสิบแปดไปเรียนดรำไทยดนตรีไทยไ ป, ำปรำปงลางไปเล่นดนตรีปรงลางไปเรียนโขนเด็กๆ เ, เหล่านี้จะมีผู้ปกครองไปส่งแล้วก็ไปทําธุระแล้วกลับไปรับบ้างผู้ปกครองบางกลุ่มก็ไปนั่งเอางานไปทําเอากิจกรรมยามว่างไปทําไปอ่านหนังสือหรือแม้แต่จะไปนั่งหลับรอลูกก็มีและเด็กๆ ก, กลุ่มนี้ ก็ได้ฝึกความเป็นระเบียบวินยัยฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนฝึกความเป็นผู้มีสมา ร, า, ราวะและเด็กๆ ก, ก็ได้รับโอกาสอันดีไปแสดงตามงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเดียงก็สะท้อนมุมมองในหลากหลายแง่มุมมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของเช้ามืดตีสี่กว่ า, วาถึงตีห้า ทาง f อ 89.5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีแห่งนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะถึง4 5ค่ะวันนี้คุณะเนศควบคุมเสียงและหาเพลงเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันนะคะช่วงนี้เชิญฟังเพลงแรกจากคุณะเนศก่อนค่ะ คิดว่าเรานั้นมีบุญนาคที่มารักมารักกันสุดดวงใจถึงจะมีคู่อยู่แล้วเป็นเรื่องความในเพราะเรื่องของใจรือใครห้ามให้สัมพันธ์ เพราะว่ารักรักจนเต็มส่วนให้ต้องลวงด้วยรักจึงปิดบังกันรู้ตัวว่าใจขาดใจไปพลันรักเธอคงมั่นไม่มีวันแปรผันหัวใจร รักกันเพียงครึ่งทางไม่เลือนล่างรักกันไปแน่นกายจะห่างห่างกันห่างกันเพียงใดยังส่งจิตใจให้มา อยาคิดว่าเป็นเช่นคนเมาหมเข้าข้างตัวเรื่อยไปเพื่อได้การด้ขอใช้กรรมเก่าสักขราวเธิดนาเมื่อถึงเวลาคงได้มาอยู่กันจนตาย คิดว่าเป็นเช่นคนเมาหมอเข้าข้างตัวเรื่อยไปเพื่อได้การดาขอใช้กําเก่าสักคราวเธิดนาเมื่อถึงเวลาคงได้มาอยู่กันจนตาย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 นี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมดิฉันผนดรมเนียมบินดำเนินรายการนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังตีสี่ถึงตีห้าทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีแห่งนี้ค่ะเช้านี้เตรียมอะไรเป็นอาหารเช้าสำหรับสมาชิกที่รักในบ้านคะหลายๆคนก็บอกว่ามีแกงนั่นแกงนี่ต้มนั่นต้มนี่จะทาสดสดร้อน เอาไปใส่บาตบางคนก็บอกว่าทําไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนจ้าเช้านี้สบายอุ่นอย่างเดียวนอนตื่นสายอุ่นแล้วก็รับประทานกันแต่หลายคนก็มีกิจกรรมที่จะออกไปทําร่วมกันนะคะไม่ว่าท่านจะทํากิจกรรมอะไรก็ขอให้มีความสุขนะคะการที่เรามีความสุขตั้งใจแล้วก็เต็มร้อยกับมันเราก็จะได้รับสิ่งดีๆอย่างน้อยที่สุดเวลาที่เราล้างผักเด็ดผัก เตรียมทำกับข้าวแล้วสมาธิกในบ้านเราหรือคนที่เรานำไปให้เขาได้รับประทานอาหารที่สะอาดจากมือเราความสุขมันเกิดแน่นอนจริงไหมคะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือวิถีที่ครอบครัวสร้างให้เกิดความเข้มแข็งอบอุ่นได้ไม่ยากนะคะแต่บางท่านก็บอกว่าคุณพ่อนอไม่ถนัดทําอะแต่ถนัดเลือกอาหารอร่อยได้ค่ะได้เลยนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่ถนัดแล้วก็บอกว่าทำทีไรไม่มีคนกินสักทีไม่รู้จะทําไปทําไมอ่ะอันนี้เราเข้าใจกันนะคะเพราะาบางคนเนี่ยไม่มีรถมือก็ถ้ายอมรับความจริงได้บางคนเนี่ย ทำอะไรก็อร่อยแปลกใจจังเลยดิฉันรู้จักคนเหล่าเนี้ยหลายคนเลยนะคะเขาเรียกว่าสเสน่ห์ปลายจะหวักรถมืออะไรก็แล้วแต่เธอคะ่ะไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรกุกกิ๊กกุกกิ๊กกุกกิ๊กออกมาอร่อยหมดเลยโดยไม่ต้องใส่ผงชูรสด้วยซ้ําแต่บางคนพยายามสัรนแล้วสั่นอีกหาวัสดุที่ดีที่สุดเครื่องปรุงที่สุดยอดที่สุดแต่พอทําออกมาหลายคนไม่ถูกใจรสชาติหมดกําลังใจไปก็มี แต่ไม่อยากให้หมดกำลังใจนะคะเดี๋ยวนี้เขามีที่สอนให้เรียนกันโอ้โหดิฉันก็ชอบดูรายการประกวดทำอาหารนะตั้งแต่เด็กตัวเล็กจนกระทั่งถึงผู้หลับผู้ใหญ่โอ้โหเขามีความสุขดูแล้วโอ้ยเขาเป็นคนที่รักในการทำอาหารจนได้ดิบได้ดีกันไปเยอะคุยกับคนรู้จักหลายคนเนี่ยตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ที่อยู่บ้านแล้วไม่ทากับข้าวเลยแต่ขอผู้ปกครองไปเรียนเป็นเชฟเยอะนะคะ เพราะเขาบอกว่าเชฟเนี้ยรายได้ดียิ่งถ้าไปทำงานเมืองนอกเงินเดือนเจ็ดแปดหมื่นแต่ถ้าทำงานในเมืองไทยจบปริญญาตรีเท่าไหร่คะหมื่นห้าอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะคะที่ หลายคนก็สรรหากันด้วยความรักความชอบกันได้ชานี้ชีวิตวัฒนธรรมนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวที่ดีๆมีความสุขแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวชวนคุณผู้ฟังไปดูเรื่องราวที่เป็นสมบัติของชาติชวนคุณผู้ฟังไปดูประวัติศาสตร์ชวนคุณผู้ฟังไปดูวัฒนธรรมในต่างถิน่นอาจจะอยู่ในชุมชนแต่ไม่เคยรู้ก็มีและ เดินทางไปเที่ยวในที่ต่างๆการที่ได้มีโอกาสเดินทางก็ทําให้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศทําให้เราได้เพิ่มกําไรชีวิตเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเช้ามืดวันเสาร์ถ้าว่างอยู่อาจจะชักชวนสมาชิกในบ้านอาจจะกลิ้งกลางไปชวนเพื่อนรักหรืออาจจะไปคนเดียวก็ได้นะคะฉายเดี่ยวไปเที่ยวตามที่ต่างๆการที่เราขับรถ หรือนั่งรถไปนอกจากความเพลิดเพลินการพักผ่อนแล้วเราได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นวัฒนธรรมตั้งแต่เรื่องของการแต่งกายอาหารการกินหรือการประกอบอาชีพช่วงนี้ทุ่งนาเขียวๆก็อยากให้ต้นข้าวงอกงามต้นไม้งอกงามโดยน้ำไม่ท่วมและไม่แรงจนเกินไปนะคะ หลายคนอาจจะบอกคุณพนอตื่นหรื อ, อยังเนี่ยบอกได้ยังไงหน้าฝนแง้งยังมีจุดแ้งจริงๆคุณฟังคะเราได้ข่าวว่าโอ้หัวหินน้ำตก อ, อ่อน้ําอันน้าฝนตกชุ่มฉ่ำแต่พอไปในบางจุดของประจวบคีรีขันไม่มีฝนตกมีแต่ฟ้าครึ้มแล้วก็ผ่านไปบ่อน้ำหนองน้ำก็ยังมีน้ำติดก้นบ่ออันนี้เรื่องจริงที่ เข้าไปในนิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์เดงก็ยังได้ข่าวนี้อยู่ว่าน้ำยังมีติดติดก้นบอ่อแต่วันไหนฝนตกก็พยายามกรองน้ำฝนเอาไว้ใช้เต็มโอกงได้ในขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลและหลายๆที่น้ำท่วมพายุถลม่มหลังบ้านทิฉันกล้วยลงไปนอนสองเกลือตูวเสียดายจัง นะคะก็เป็นอันว่าเรื่องราวของความไม่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนอันนี้ไม่ได้กวนกันแต่เช้านะคะแต่ว่าเรื่องของธรรมชาติบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะไปกาเกณฑ์ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนโน้นกันได้นั่นเป็นเพราะผลพวงที่คนบางคน ได้ทำเอาไว้แล้วเราต้องมานั่งรับผลของการกระทำนั้นพูดง่ายๆก็คือกรรมค่ะกรรมบางทีเราก็ทำบางทีคนอื่นก็ทำเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันนะคะไม่ต้องโทษใครแล้วเรามาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาช่วยกันทำรงค่าของชีวิตวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งของวิถีไทยๆของเราแล้วก็ที่อื่นๆด้วยเช้านี้มีอะไรมาฝากเป็นชิ้นเป็นอันมีแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ฟัง อยากไปเที่ยวในกรุงเทพมหานครนะคะก็มีที่จะมาชวนไปเที่ยวไม่ไกลเลยค่ะแค่คลองด่านเองคลองด่านอยู่ไหนนาะเ็นได้เห็นบทความของคุณชวิสาชวลิศเสวีนะคะซึ่งท่านบอกว่าชอบไปถ่ายรูปสถานที่ชุมชนโบราณเก่าแก่แล้วก็หลีกเรนในย่านกรุงเทพโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีมาบอกเล่าให้กับคนที่หลงไหลแล้วก็เที่ยว สไตล์หลงเวลาเหมือนกันนะคะก็เลยไปค้นพบว่าหลงทางในคลองด่านดิฉันก็จะนำเรื่องราวของบทความนี้มาชวนคุณฟังไปเที่ยวนะคะออไม่ไกลเลยค่ะเขาบอกว่าเข้าไปในสายคลองย่านฝั่งธนบุรีนะคะก็จะไปเจอชุมชนที่เรียกว่าคลองด่านนะคะดิฉันก็จะเก็บ เอาถ้อยคำสำคัญสำคัญมาเล่านะคะไม่อ่านทั้งหมดคือคลองด่านเนี่ยก็จะเป็นลำคลองเก่าต้องบอกเก่าแก่ด้วยนะคะคุณชาวิสาเธอเขียนอย่างนี้จริงๆลำคลองเก่าแก่อีกเส้นทางหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในย่านสวนฝั่งธนบุรีนะคะแยกแตกแขนงจากคลองบางหลวงอีกขะเขดหนึ่ง ตรงหน้าวัดปากน้ำพาสีเจริญไปออกแม่น้ำท่าจีนจะมีปรากฏอยู่ในแผนที่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เคยเป็นคลองที่มีความสำคัญมากด้วยนะคะคลองด่านมีชื่อมาจากสมัยโบราณตรงปากคลองด่านด้านวัดอับสอนสวรรค์หรือวัดหมูเคยเป็น ด่านขนนหรือด่านที่ใช้ในการตรวจสินของต้องห้ามและเก็บภาษีจากเรือสินค้านานาประเทศที่ล่องผ่านด่านเข้ามาติดต่อค้าขายในอาณาจักรอีกทั้งยังได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นเส้นทางสัญจรอันมีหลักฐานปรากฏในจดหมายเหตุลาลูแบร์นิราชนรินนิราชถลางของสมิ่งมีครงนิราชพระยาตรังและ โครงนิราชทวายของพระพิพิษ ส, สาลีเป็นต้นนะคะที่วัดอับสอนสวรรค์ยังมีเรื่องราวที่เขาเล่ากันมาอีกมากมายค่ะนอกจากโบราณสถานที่ปรากฏขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามนะคะเช่นหอพระไตรปิดกกลางน้ำซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบประเพณีนิยมที่มีความพิเศษก็คือผนังประดับด้วยกระจกว่าสีเกร็บเล็ก เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งที่เหลืออยู่ใกล้ๆกันนะคะแล้วภายในบริเวณวัดก็จะมีอาคารเก่าแก่แบบนีโอคลาสิกนะคะอีกหลังหนึ่งซึ่งเคยใช้เป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้า คุณเกษมพงไพบูรณ์ผู้ดูแลที่นี่เล่าว่าโรงเรียนวัดอับสอนสวรรค์แห่งนี้ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างครั้งแรกในปีไหนรู้แต่เพียงว่าสร้างขึ้นในราวสมัยรัชกาลที่ห้าโดยมีผู้สัทธานในพระพุทธศาสนาสองท่านคือในายใหญ่และนางสุนทั้งสุภูติได้สร้างขึ้นในสมัยพระพุทธพยากรเป็น เจ้าอาวาสอยู่ในครั้งนั้นนะคะจากคำบอกเล่าสืบทอดกันมารู้เพียงว่าสร้างขึ้นเป็นอนุสร์แก่บุตรชายแล้วก็ต้องการให้ที่นี่เป็นอีกศูนย์กลางการศึกษาพระธรรมในภาคประหยัดด้วย จึงทำให้มีพระจากที่ต่างๆมาศึกษาที่นี่อยู่พอสมควรจนเมื่อครั้งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองจึงได้ย้ายพระและเนนไปใช้สถานที่อื่นที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ ตายอาคารหลังนี้ไปในที่สุดหลังจากนั้นต่อมาประมาณยี่สิบปีก็มีคณะครูอาจารย์กลุ่มหนึ่งได้เข้าไปขอเช่าสถานที่นี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดเป็นโรงเรียนสอนหลักสูตรการศึกษาปกติตั้งแต่ป .1 ถึงป .4 mm. แล้วก็เพิ่มเป็นป .6 เมื่อครั้งหลังยาวนานเป็นระยะเวลากว่าสี่สิบปีนะคะแล้วก็ปิดตัวลงอีกครั้งเมื่อราวยี่สิบปีมาแล้วด้วยมีกรณี บางการณีกับทางวัดนะคะส่วนที่พิเศษมากๆตามคําบอกเล่าเพิ่มเติมจากคุณเกษมพงไพบูรณ์เกี่ยวกับตัวอาคารหลังนี้คือมีห้องใต้ดินที่ไม่ได้สร้างเพื่อใช้เก็บของเหมือนที่อื่นๆหรือเป็นที่หลบซ่อนอะไรทั้งสิน้นแต่มีไว้เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในยามแล้งน้ําด้านในเคยใสสะอาดมาก โอ้แปลกเลยนะคะครั้งหนึ่งที่คุณเกษมลงไปดูก็พบกุ้งฝอยเต็มไปหมดหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2554ค่ ะ, ะก็กลายเป็นวางกุ้งสินะคะสภาพของห้องใต้ดินก็เปลี่ยนไปในปีนั้น น, ะน้ำท่วมสูงก็เลยไม่สามารถเข้าไปดูแลจัดการได้ดินโครนก็ไหลเข้าไปตามน้ำอุดตันท่อทางในห้องใต้ดินจนเกิดความเสียหายเลยนะคะ ปัจจุบันนี้นะคะห้องใต้ดินก็อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิมแต่ด้วยความที่ตัวอาคารสร้างขึ้นในยุคสมัยเทคโนโลยีการผลิตวัสดุก่อสร้างพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นเราจึงได้เห็นอาคารฝรั่งในยุคนี้มีลักษณะการก่อสร้างเป็นแบบอาคารก่ออิฐฉาบ ป, ปูนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหรือสมัยก่อนเขาก็เรียกกันว่า เฟอรคอนกรีตนะคะซึ่งเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าค่ะอาคารโรงเรียนวัดอับสรสวรรค์แห่งนี้จึงยังแข็งแรงแล้วก็ยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะคุณกเกษมก็เล่าทิ้งไายไว้ว่าปัจจุบันโรงเรียนวัดอับสรสวรรค์แห่งนี้ก็อยู่ในความดูแลโดยทายาทของคุณครูท่านหนึ่งชื่อว่าคุณครูเฉลีม่ม นึงในผู้มีส่วนก่อตั้งโรงเรียนประถมแห่งนี้ก็ฝากให้ช่วยกันดูแลเพราะว่าทางวัดก็ส่วนทางวัดนะคะส่วนคุณกเกษมเองเนี่ยเป็นสิทธ์เก่าของโรงเรียนที่นี่ก็เลยมีความผูกพันแล้วก็รู้จักกันก็มาช่วยดูแลด้วยนะคะก็ไม่อยากให้โรงเรียนต้องหยุดตัวเองลงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยได้บอกเล่าเรื่องราวที่เป็น ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของสถานที่เก่าแก่แล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจริมคลองด่านแห่งนี้นะคะขอบคุณคุณชวิสาชาวลิตเสวีนะคะที่เขียนเรื่องราวเหล่านี้ให้เราได้อ่านแล้วก็ขอบคุณผู้เล่าคือคุณเกษมที่กรุณาเล่าเรื่องราวให้เราได้ทราบประวัติความเป็นมานะคะท่านใดที่มีโอกาสก็ไปเยี่ยมเยียน สถานที่แห่งนี้ได้นะคะเพราะว่าแผ่นกระเบื้องเนี่ยก็ดูเป็นลายโบราณโบราณพอมองเห็นปุ๊บเนี่ยเด้งก็คิดถึงอาคารหลังหนึ่งซึ่งมีกระเบื้องน่าจะยุคเดียวกับสมัยนี้เลยนะคะเป็นกระเบื้องลายโบราณภาพนี้เดยงก็จะเห็นที่พื้นของธนาคารไทยพณิชย์ที่อยู่ริมถนนเพชรบุรีนะคะ พื้นกระเบื้องลายคล้ายๆอย่างนี้เลยสวยงามมากถ้าท่านใดอยากไปดูนะคะก็จะมีอาคารโดดเด่นเป็นธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ตรงแยกเพชรพระรามย้งๆกับกิ่งเพชรติดๆกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงก orn นี่แหละค่ะเห็นพื้นกระเบื้องอย่างนี้แล้วคิดถึงท่านเจ้าของตึกเก่านะคะคือพญาแมหินเดชานุวัตนแล้วก็ขุนยิงชั้นแมหินเดชานุวัตนซึ่งท่านเป็นเจ้าของ ก่อนที่จะมาเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์ปัจจุบันนี้นี่ก็คือเรื่องราวที่ชวนคุณฟังไปเที่ยวชมโบราณสถานอาจจะเป็นของเอกชนบ้างเป็นของที่เป็นของราชการแล้วบ้างนะคะแต่ว่าเราเข้าไปศึกษาไปดูเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพที่มันเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกับที่เราเคยไปเที่ยวเขาดินวนาหลายคนไม่เคยทราบเลยว่าที่เขาดินวนามี หลุมหลบภัยสมัยสงครามลูกอยู่ด้วยพอไปนะคะเราก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปดูว่าโอ้มีหลุมหลบภัยจริงๆแล้วเราก็เข้าไปเยี่ยมชมเหมือนกับใครที่ลหลงไหลการไปเที่ยวต่างประเทศแล้วบางคนก็ไปเวียดนามก็ทราบว่าเวียดนามเนี่ยเขามีความฉลาดในการที่จะขุดดินไปฝังตัวหลบอยู่ใต้พื้นดิน แล้วก็ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูนะคะแล้วข้าศึกศัตรูก็หาเขาไม่เจอจนกระทั่งต้องมีการทําลายด้วยสารเคมีทําให้เกิดความร้ายแรงความสูญเสียกันมากมายนะคะหลายคนพอไปถึงเวียดนามก็อดที่จะลงไปในหลุมหลบภัยเหล่านี้เพื่อไปดูว่าอู้เขาอยู่กันยังไงเป็นโอ้โหนับกิโลเมตรไม่ได้แล้วก็กินอยู่หลับนอนกันยังไงนะคะใครจะเชื่อว่ามนุษย์ สามารถเอาตัวรอดได้ขนาดนี้นะคะเหมือนกับที่ดิฉันเคยมีโอกาสเดินทางไปโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศหลายๆโรงเรียนในยุคสักสามสิบปีที่แล้วเนี่ยโรงเรียนในบางท้องที่ที่อยู่ชายขอบตะเข็บชายแดนกับเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะมีรูกระสุนตโตๆ มีหลุมหลบภัยเวลาไปถึงโรงเรียนครูใหญ่กับคุณครูก็จะแยกเราเป็นกลุ่มกลุ่มอ้าวคนนี้ให้ตามเด็กแถวนี้นะคนนี้ให้ตามเด็กแถวนี้นะแล้วเด็กอะเด็กนักเรียนประถมนะคะคุณฟังเขาก็จะถือจอบถือเสียมอยู่ใกล้ตัวเลยนะคะพูดแล้วเหมือนเหมือนเรื่องไม่จริงแต่ดิฉันได้เจอกับตัวเองแต่ยังไม่เจอถึงขนาดจะต้องวิ่งตามเด็กนะคะเอาแค่ได้ยินเสียงตุงต้งต้มตุ้มตุ้ม ก็ อ, อกซันแขวนแขวนแล้วแล้วคนที่เขามีชีวิตยอยู่ตรงนั้นทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยได้ไปเจอครูที่บรรจุใหม่ได้เพียงสองสาวันแล้วเจอเหตุการณ์ที่ถูกบุกยึดแล้วก็ต้องวิ่งหนีออกจากโรงเรียนวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิงวิ่ ง, งจนหมดแรงปรากฏว่าวิ่งตั้งแต่สามทุ่มนะคะมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเช้ามืดแล้ว ก็นึกว่าวิ่งหลงป่าหลงเขาไปที่ไหนแต่ที่ไหนได้วิ่งอยู่แค่รอบๆบริเวณโรงเรียนนั่นเองนี่ก็คือเรื่องในอดีตที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็คือวิถีส่วนหนึ่งที่มันผ่านมาแล้วแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กันด้วยเสียงปิ๊งป้างตลอดเวลาแต่เรากำลังอยู่กับชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงในหลากหลายที่มันทาโถมเข้ามาโดยเฉพาะชีวิตวัฒนธรรมเรา อยากให้ทุกๆท่านได้คิดถึงอดีตที่งดงามและประครับประคองชีวิตวันนี้ให้ก้าวเดินต่อไปอย่างปลอดภัยมีความสุขทั้งตนเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ชุมชนรอบๆบตัวเราด้วยเราคงอยู่คนเดียวครอบครัวเดียวไม่ได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โบราณท่านสอนและทําเป็นตัวอย่างกับเรามาตลอดก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีมิตรไมตรีต่อกันสิ่งเท่านั้นยังคงคุณค่าและใช้เป็นสิ่งนำทางชีวิตเราได้เสมอนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากคุณะเนศอีกเพลงค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงต่อไปนะคะ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 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยพร้อมจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพนอ์ธรรมเนียมเป็นดำเนินรายการค่ะเช้ามืดวันนี้มีความสุขกันดีทุกครอบครัวนะคะทุกๆ ท, ท่านด้วย ก็ฟ้าเริ่มสางแล้วค่ะแต่หลายท่านอาจจะบอกว่าไม่สางเลยคุณพน้อมืด ต, ต, ต, ตื่อเพราะว่าฝนตกอาจจะมีเปี้ยงเปียเป้ยงคลืนค่นคืนด้วยค่ะก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะเราอาจจะโดนรองฝนเป็นหวัดได้ท่านหนุ่มสาวไม่ห่วงเท่าไรเพราะว่ายังแข็งแรงแต่จะห่วงสวค่ะแล้วก็ห่วงเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าท่านเหล่านี้ อ่อนแอ ก, กว่านุ่มๆสาวๆาวาวเพราะฉะนั้นก็รับประทานอาหารที่ร้อนๆสุกใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่าให้มีมแมลงวันตอมเวลาที่จะต้องไปเลือกซื้ออาหารตามที่ต่างๆมองสักนิดนะคะสะอาดพอไหมที่เราจะนามาเข้าปากเป็นอาหารให้กับตนเองกับครอบครัวนะคะถ้าเลือกไม่ได้ก็เอาที่สุกใหม่ๆแล้วก็มีฝาปิดบางทีเวลาจะไปกินอาหารนอกบ้าน ถ้าเป็นร้านข้าวแกงที่ไม่มีอะไรปิดเลยแล้วอยู่ริมถนนกับไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวที่ทำสุกใหม่ๆอาจจะอร่อยน้อยกว่าเนี่ยเดืันก็จะไปเลือกกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่าอาหารที่สุกใหม่ๆร้อนๆเชื้อโรคมันก็ยังไม่มารบกวนเราได้ง่ายเท่ากับอาหารที่ใส่ถาดใส่หม้อหรือใส่กระมังไว้โดยที่ไม่มีอะไรปิดเลยเพราะนอกจากเชื้อโรคทํานานแล้วก็ขี้ฝุ่นอีก สารพัดเลยนะคะเรื่องราวที่นำมาบอกเล่ากันก็ด้วยรักและหงใหญ่ในชีวิตวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ฟังครกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งที่เราได้รับทราบข่าวคล า, าวในช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เรามองเห็นความมีน้ำใจเมตตินะคะที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกลุ่มคนเป็นจิตอาส า, าทําความดีด้วยหัวใจนะคะแล้วก็มีทุกเพศทุกวัยเราได้เห็นเราได้ชื่นชมและหลายคนได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมทํากิจกรรมอันเป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยพระมหา ก, กรุณาธิคุณนะคะแต่สําหรับคนที่อาจจะไม่มีโอกาสเราก็ขอส่งกําลังใจไปช่วยกันนะคะเดันก็ อยากจะให้ทุกคนถ้าไม่มีโอกาสตรงๆแต่ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันเราก็ดูแลกันนะคะแล้วก็วเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันชีวิตมันก็จะเดินไปได้ด้วยความสุขแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรา มีกำลังใจนะคะเพราะว่าการที่เราได้อยู่กับคนดีๆเราจะมีกำลังใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าชีวิตมันยังมีความหวังอีกมากมายนะคะหลายคนท้อแท้หลายคนอาจจะเจอปัญหาชีวิตมากมายแต่อยากให้ทุกท่านหยุดตั้งสติไม่มีใครไม่เคยทุกข์ แล้วก็คงไม่มีใครที่จะมีความสุขอยู่ทุกวันจริงไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อนเราสังเกตเพื่อนนิดนึงเรามีสมาชิกในครอบครัวเราสังเกตกันนิดนึงนะคะว่าวันนี้เขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเคยไหมเขาพูดเล่นพูดหั่วเหมือนเคยไหมหรือดูเขาซึมซึมหรือดูเขาเหมื่อเมือหรือว่าดูเขาเลื่อนลอย ใส่ใจถามถ่ายให้กำลังใจกันนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้เราไปต่อได้เพราะว่าเราจะได้ข่าวคราวของคนที่เหมือนกับทำร้ายตัวเองแล้วก็มีชีวิตที่ปล่อยวางจนว้าเวเบไปเรื่อยเืเราไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราเยอะๆนะคะเพราะมันจะส่งผลกระทบตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะเด็กๆในเยาวชนคุณผู้ฟังที่เคารพท่านใดที่มี ลูกมีหลานอยู่ในวัยเด็กถึงวัยรุ่นเดนมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้นิดหน่อยนะคะที่ฟังอ่านมาว่าเด็กที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลจิตใจให้ความรักความอบอุ่นเขาเป็นพิเศษเนี่ยถ้าเป็นเด็กประถมต่อห้าก็จะเป็นโค้งหักศอกต่อห้านะคะเพราะก้าวขึ้น สู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้นและเขาก็จะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กวัยป .5 จะเป็นช่วงโค้งหักศอกของเด็กประถมแล้วพอไปมัธยมต้นก็จะเป็นม .2 ค่ะม .2 ก็จะเป็นช่วงโค้งหักศอกของวัยมัธยม ช่วงนี้หัวเรียวหัวต่อที่แรงมากคุณผู้ฟังคะหลายคนนะคะก็ก้กาวผ่านไปได้ด้วยดีไม่ว่าร่างกายจะเปลี่ยนแปลงยังไงผู้ชายจะเสียงแหเป็นเป็ดหรือว่าผู้หญิงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงเขาก็ผ่านไปได้ด้วยดีถ้าเด็กคนนั้นโชคดีที่หนึ่งจิตใจเข้มแข็งสองมีครอบครัวที่อบอุ่นใกล้ชิดดูแลและสาม เขาโชคดีที่คบเพื่อนดีเพราะคุณครูเนะี่ยก็จะทำหน้าที่ดูแลท่านอยู่แล้วแต่ถ้าเด็กคนไหนที่อาจจะมีปัญหาครอบครัวหรืออาจจะเจ็บป่วยหรืออาจจะเกิดความไม่พร้อมในด้านต่างๆเด็กช่วงวัยมอสองก็จะมีโอกาสออกนอกเส้นทางออกจากโรงเรียนกลางคันได้ผู้หญิงหลายคนก็จะเป็นผู้ที่ อาจจะเกิดความเพี้ยงทํา้มทางเพศได้บางคนก็ถึงขนาดตั้งคันเลยนะคะต้องหยุดเรียนไปก็เยอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรียนก็นำมาและเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกๆ ท, ท่านนะคะถ้าใครที่มีลูกหลานอยู่ในไวัยไหนก็ตามเรารักควงใยดูแลใกล้ชิดเขาเสมอสังคมไทยเราเคยมีอยู่ยุคหนึ่งที่มีการประชาสัมพันธ์ให้กอดให้หอม แต่ก็จะมีคนบางคนหวังไม่คุ้นอ่ะไม่คุ้นไม่คุ้นจ้าก็ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่แล้วแต่สถานการณ์ในแต่ละครอบครัวคนไทยอาจจะมีความพิเศษจากสังคมอื่นๆตรงที่ว่าเราสอนลูกหลานให้เคารพผู้ใหญ่แล้วก็มีขีดบางๆกั้นอยู่เช่นบางบ้านก็อาจจะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ย เราไม่ควรไปจับนุ่นจับนี่ไม่ควรไปตีเสมอไม่ควรจะจูดๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่จะมีบางบ้านที่ผู้ใหญ่ลดช่องว่างตรงนี้ด้วยการกอดด้วยการหอมด้วยการจับด้วยการแย่เย้าเด็กๆก็จะรู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วก็เด็กวัยรุ่นบางคนโอพ่อแม่กอดหอมมาได้แต่พอ เป็นระยะหนึ่งจะห่วงเนื้อห่วงตัวพ่อแม่ไม่ต้องน้อยใจนะคะเขาอาจจะมีอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่เราก็สามารถลดช่องว่างกับเขาได้หนูเป็นยังไงบ้างลูกกินข้าวหรื อ, อยังตอนนี้อยู่ตรงไหนคิดถึงนะห่วงนะจุ๊บๆุวันนี้หนูจะบางทีเราต้องยอมหน่อมเน้มไปกับเขาและบางทีนะคะลูกเนี่ยเขาจะมีกลุ่มเพื่อนของเขาตามวัยเราอาจจะไม่ต้องประกบติดใกล้ชิด จนเกิดทั่งลูกมีความรู้สึกว่าลำบากใจแต่เราสามารถอ้อมออมสังเกตเอาแล้วก็ใช้วิทยายุศ์ต่างๆอ่านได้จากในสื่อต่างๆนะคะแล้วทางคุณหมอตามโรงพยาบาลหรือตามคลินิกที่เขาช่วยดูแลครอบครัวเหล่านี้เราสามารถโทรไปปรึกษาเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นจงอย่าปล่อยเวลาให้มันเกิดช่องว่าง จงอย่าปล่อยเวลาให้มันเกิดโอกาสที่ความเสียหายมันจะเข้ามาได้พูดมันไม่ยากแต่การกระทำเป็นเรื่องยากจริงๆนะคะโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้คนส่วนใหญ่แทบจะบอกว่าเศรษฐกิจกฟืดเครื่อง แทบจะต้องปา ก, กัดตีนถีบสาหรับบางครอบครัวแต่บางครอบครัวมีเงินมากมายเลยค่ะพ่อแม่ก็คิดว่าโอวันนี้ฉันให้ตังค์ลูกแล้ววันนี้ฉันพาลูกไปเที่ยววันนี้ฉันน่นีแต่เด็กอยากได้เวลาความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่จริงๆดูละครแล้วย้อนดูตัวนะคะเราจะได้ช่วยกันสร้างความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวได้หนังสือคือสิ่งหนึ่งที่ที่ฉันอยากเชิญชวนให้ทุกๆุท่านนะคะหาโอกาส อ่าเพราะว่าไม่ว่าจะอ่านในรูปหนังสือเล่มที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือ e-books หรือสื่อต่างๆที่เขาส่งกันมาบางเรื่องเราก็อ่านแล้วอาจจะไม่เชื่อทั้งหมดก็ได้แต่เราลองตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็ถามผู้รู้นะคะหรือผู้ที่เขาเคยมีประสบการณ์บางเรื่องเราคิดคนเดียวไม่ได้แต่เราสามารถมีเพื่อนในช่องทางต่างๆได้แต่ที่สําคัญ เพื่อนที่มากับเฟซมากับไลน์บางครั้งไม่ได้สอนไม่ได้บอกว่าต้องระวงแต่เราต้องระวังด้วยเท่านั้นเองค่ะเดนก็ถือหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะคะหน้าตาน่ารักมากมากเลยไม่ยากถ้าอยากสูงแน่ตอนนี้คนไทยอยากสูงมากเลยนะคะถึงขนาดมีหมอที่เขาจัดการกระบวนการของกระดูก ทำให้เราสูงขึ้นได้อันนี้ท่านเคยคุยกับคุณหมอจริงๆนะคะเขามีกิจกรรมบางอย่างที่จะทําให้ลูกคุณสูงขึ้นได้จริงๆแต่อันเนี้ยดี่ฉันถือหนังสือที่เขามีชื่อหนังสือว่าไม่ยากถ้าอยากสูงเป็นหนังสือแปลนะคะคุณพิริยาพรค้าเจริญดีแปลนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ค่ะเป็นหนังสือที่อยู่ในกลุ่ม การ์ตูนความรู้พัฒนาตนเองไม่ยากถ้าอยากสูงนะคะเป็นเคล็ดลับการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยวิธีง่ายๆและสนุกค่ะเด็น <c oughs> ชอบแซวว่าถ้าเคล็ดลับอย่าบอก <c oughs> นะคะอันนี้ก็ดูเหมือนกวนๆเนาะแต่ไม่ใช่ค่ะเขามีคำสำคัญที่เราพูดกันมานานๆแล้วลหละว่าเคล็ดลับแต่จริงๆมันไม่รับหรอกนะคะเรา หาอ่านหนังสือเล่มนี้กันได้นะคะโดยเฉพาะเด็กๆเพราะว่าหน้าปกเป็นการ์ตูนสวยงามมากนะคะแล้วก็มีแบบโหวิววิบบับเหมือนกากเพชรมีการ์ตูนที่คนวาดวาดได้สวยจนชวนอ่านจริงๆนะคะเป็นเรื่องราวของสาวน้อยเออซึ่งเรียนอยู่แค่ชั้นป .5 สาวน้อยเลยนะคะนะคะเขาบอกว่าเด็กคนนี้สูงพอๆกับน้องปอ .1 โอ้ เป็นไปได้ยังไงนะคะจนครูเนี่ยทักผิดเลยนะคะในที่สุดเนี่ยเขาก็นำเรื่องราวที่เป็นเคล็ดลับจากคุณหมอมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวเองเช่นเคยนอนดึกก็ไม่นอนดึกไม่กินข้ า, าวเช้าก็มากินข้ า, าวเช้าชอบกินแต่ขนมหวานก็ลดขนมหวานลงไม่ชอบออกกาลังกายก็มาออกกาลังกายก็เลยทาให้เธอเพิ่มความสูงได้นะคะแล้วก็ เปลีป่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นได้อ่านแล้วได้อะไรคะหนังสือเล่มนี้ก็คือได้ความรู้ที่จะเพิ่มความสูงของตนเองด้วยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันนนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็หนังสือเล่มนี้อ่านแล้วก็อ่านสบายมากเลยเป็นหนังสือการ์ตูนจริงๆเลยนะคะแต่ว่าให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะสูงขึ้นนะคะด้วยการปรับเปลี่ยนวิถี ในแต่ละวันของเราหาอ่านกันได้นะคะหนังสือชื่อไม่ยากถ้าอยากสูงเป็นหนังสือแปลโดยพิริยาพรค้าเจริญดีนันมีบุ๊กจัดพิมพ์ค่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับเรื่องราวดีๆที่เดนก็ไปสอะสแสวงหาอ่านแล้วก็คนที่เขียนหนังสือทําหนังสือเขียนคอลัมน์ต่างๆเนี่ยเดยนถือว่าเป็นครูของดิฉันนะคะ อ่านแล้วก็นำมาบอกคุณผู้ฟังต่อเราจะได้ไปต่อด้วยกันได้อย่างมีความสุขค่ะคุณผู้ฟังครับเผลอๆคุยกันมาจะตีห้าแล้วนะคะชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันผนอธรรมเนียมอินก็คงจะต้องใกล้อำลากันไปในเช้าวันเสาร์นี้แล้วก่อนจะจากกันไปอยากให้คุณผู้ฟังสดชื่นกับ กลอนดอกสร้อยร้อยบุปผาร้อยคุณค่าสมุนไพรไทยของคุณสัจภูมละอีอกบทหนึ่งนะคะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะวันนี้คุณสัจภูมเขียนเอาไว้หนึ่งในนั้นเรื่องของต้นกลุ่มน้ำกลุ่มน้ำนะคะจะเป็นไม้ต้นใบประกอบด้วย ใบแบบนิ้วมือมีใบย่อยสามปลายใบแหลมนะคะดอกออกเป็นช่อกลีบดอกสีขาวหรือสีเหลืองนวลแล้วก็ผลสีนวล น, นะคะเจ้ากลุ่มน้ำนี้จะพบตามแม่น้ำลำคลองทั่วๆไปค่ะมีชื่ออื่นด้วยนะคะชื่อเหาะเถาะผักกลุ่มผักกามรอถา สรรพคุณจะมีรถร้อนช่วยการไหลเวียนของเลือดบำรุงเลือดลมของสตรีบำรุงนั่งกายชะลอความแก่ค่าอันนี้น่าสำคัญนะคะช่วยย่อยขับลมทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติทั้งยังช่วยแก้อักเสบแก้ปวดบวมแล้วก็แก้ปวดเมื่อยได้ด้วยจบที่ดอกสร้อยร้อยบุกผาว่ากลุ่มเอ๋ยกลุ่มน้าดอกขาวนาเหลืองนวลอยู่ริมหนองกวัก กิ่งใบ ย, ยืนต้นบนริมคลองใบคนปองเป็นกับข้าวเน่านานมาช่วยเลือดกายไหลเวียนน่าเรียนรู้เป็นยาชูกำลังเด็ดเคล็ดเข้าท่าช่วยเลือดดีสตรีใช้ลดกายชาราตำรับยา แก้เมื่อยปวดยิ่งยวดเอ่ยขอบคุณนะคะสำหรับดอกส้อยร้อยบุกผาร้อยคุณค่าสมุนไพรไทยเช้ามืด ีมาแล้วค่ะชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพนธรรมเนียมอินผู้ดำเนินรายการคุณะเนศผู้ควบคุมเสียงและหาเพลงเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันดอกเตอร์กุลกนิษฐ์ทองเงาผู้ควบคุมรายการเราสามคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เช้าวันเสาร์หน้าทาง f m 89.5 แหแห่งนี้มีความสุขกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ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 คั้งฉันก็ยังรักเธอฟังใจถึงจะสินงจันทร์ชายไลไม่เป็นไรเพราะยังมีธอฟ้าจะจะมฉันฟ้ขอให้มีสายตาหวานละถึงจะสินแผ่นดินาเธให้ได้เจอยิอ้มเชื่นใจไม่ไ ก็ขอเพียงได้ชมไม่ไดีสมไม่เห็นแค่อะไรขอให้ได้รักข้างเดียวเขาไว้ไม่ฉชนนั้นใจฉันคงหลุดลยอยจะหนอกแตกแลกรานสิบครั้งฉันก็ยังหวังใจรอคอยแม้จะสิ้นวิญญาณลื่นลอยก็จะคอยพบเธอชาอื่นเออ แค่อะไรขอให้ดีรักข้างเดียวเข้าไว้ไม่เชนนั้นใจฉันคงหลุดลอยโง่แตกแตแรกรานสิบครั้งฉันก็ยังหวังใจรอคอยแมงจะสิ้นวิญญาณนื่นลอยก็จะคอยพบเธอชาติอื่นเออแมงจะสิ้นวิญญาณนื่นลอยก็จะคอย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 w w w f i s f r m u t t a c t h Printing and packaging อย่าง Designer 2 0 19